ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระภิกขัมมีอยู่มากมายหลาย การศึกษาพระภิธรรมก็คือการศึกษาธรรมชาติของการ ทำให้รู้ว่าชีวิตของเราในชาติปัจจุบันนี้มาอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็น เรื่องการส่งผลของกามอย่างละเอียดลึกซึ้ง 3 ผู้ศึกษาพระภิธรรมจะเข้าใจรูปที่ มีความแก่ความเกิดเกิดความเจ็บความตายโดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอุดหนุนซึ่ง สภาวะธรรมทั้ง 3 ก็จะทำงาน 4 การ อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระนิพพาน ที่กล่าวว่า 5 นิพพานไม่ใช่ก็เปรี่ยมพร้อมไปด้วยความสุขรื่นรวนตลอดนิรันดร์กาลดังที่คนส่วน 5 การ เพราะว่าแค่การให้ทานรักษาศีลแล้วก็การเจริญสมาธิยัง คําสอนที่มีค่าสูงสูตรในพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติวิปัฒนากรรมฐานตามแนวมหาสติตประฐาน 4 เพื่อให้เห็นว่าทั้งนามประธรรมคือจิตและเจตสิและก็รูปประธรรมคือรูปนั้นมีสภาพไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตน เมื่อมีปัญญาเห็นแจ้ง 6 การศึกษาพระภิธรรม การเหตุผลประการที่ 7 การศึกษาพระภิกขัมเป็นการสั่งสมปัญญาๆในโลกนะเหตุ 8 นะคะ เป็นการช่วยการรักษาหลักคําคําสอนของภาพุทธองไว้ให้อนุชนรุ่นหลังแล้วก็เป็นการช่วยการสื่อต่อภาพุทธศาสนาให้มั่นคงค่ะว่อนตลอดไปค่ะ